วินัสตุมาเตภวัตตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภะอะพิวาธนศีลิสนิจจังวุฒธธาปจายโนจัตตารโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังภวะตุสพพะมังคลังรักขันตุสัพภพเทวตาสป พ, พุทธานุภาเวนะ สัพพธรรมมานุพาเวนะสัพพสังฆานุพาเวนะสทาโสถีภวันตุเต